มักในฐานะพระมจันทร์หรือพุทธจริยธรรมภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนจำนวนมากเพื่อเกื้อกาวรุนแก่ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวและมนุษย์ทั้งหลายเธอทั้งหลายจงแสดงธรรมจงประกาศพระมจันทร์ ที่เรียกว่าพรมจรรย์พรมจรรย์ดังนี้พรมจรรย์คืออะไรพรมจารีคืออะไรที่จบของพรมจรรย์คืออะไรมรรคาเป็นอริยะประกอบด้วยองค์8ประการคือสัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธินี้คือพรมจรรย์บุคคลใดประกอบด้วยอริยะอัสดางคิกามรกนี้บุคคลนั้นเรียกว่าเป็นพรมจารี ความสิ้นราคะสิ้นโทะสะสิ้นโมหะนี้เรียกว่าที่จบของพรหมจรรย์ผลของพรหมจรรย์คืออะไรโสดาปฏิผลสกาทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตผลเหล่านี้เรียกว่าผลของพรหมจรรย์ภิกษุทั้งหลายโดยในยะดังนี้แหละ พระประมจันนี้มิใช่มีลาบสการะและคำสรรเสริญเป็นอานิสง์มิใช่มีความเพียบพร้อมด้วยศีลเป็นอานิสง์มิใช่มีความเพียบพร้อมด้วยสมาธิเป็นอนิสง์มิใช่มีญาณทัศนะเป็นอนิสง์หากแต่พระประมจันนี้มีอกุปปาเจโตวิมุตติเป็นที่หมายเป็นแก่นเป็นที่จบสิ้นบริบูรณ์ อากุปปาเจโตวิมุตติคือภาวะที่จิตหลุดพ้นเป็นอิสระโดยสมบูรณ์ไม่เสื่อมไม่กลับกลายคำว่าพระมรรจันทร์มักถูกรู้จักในความหมายแคบๆเพียงแค่การกรองเพศบรรปชิตและการงดเว้นจากเมทุนธรรมอันเป็นความหมายในยะหนึ่งเท่านั้นพระอัตกถาจารย์แสดงความหมายของพระมรรจันทร์ไวถึงสองในยะ ในย่าสำคัญเช่นพระศาสนาทั้งหมดการประพฤติปฏิบัติตามมักมีองค์แปดพรหมวิหารทานความสันโดษ ด, ด้วยพัญญาของตนการงดเว้นจากเมตุนธรรมธรรมเทศนาเป็นต้นความจริงพระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าพรมจรรย์หมายถึงระบบการครองชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาทั้งหมด หรือหมายถึงตัวพระพุทธศาสนาทั้งหมดทีเดียวดังจะเห็นได้จากพุทธพจน์สองพระสาวกออกประกาศพระศาสนาก็ว่าประกาศโพรมจันและอีกแห่งหนึ่งตรัสว่าโพรมจันจะชื่อว่ารุ่งเรืองก็ต่อเมื่อบริษัทสคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งฝ่ายโพรมจารีและฝ่ายกามโภคีคือผู้อยู่ครองเรือนรู้ธรรมะ และปฏิบัติธรรมกันด้วยดีคำว่าพรมจรรย์แปลจากบาลีว่าพระมจริยะซึ่งประกอบด้วยพระมะบวกจริยะพรมแปลว่าประเสริฐเลิศล้ำสูงสุดบริสุทธิ์ส่วนจริยะมาจากรากศัพท์คือจรร ซึ่งในความหมายเชิงรูปธรรมแปลว่าเที่ยวไปดำเนินไปจาริกไปในเชิงนามนธรรมแปลว่าประพฤติดำเนินชีวิตรองชีวิตเป็นอยู่ในที่นี้ต้องการความหมายเชิงนามนธรรมเจริยะซึ่งเป็นคำนามจึงแปลได้ว่าความประพฤติการดำเนินชีวิตการครองชีวิตหรือความเป็นอยู่ เจริยนี t เมื่อเขียนเป็นไทยจะแปลงตามรูปสันสกฤตเป็นจันคือเจอรอหันยอยากรรัก็มีถือตามรูปบาลีอีกรูปหนึ่งเป็นเจริยาก็ได้ดังนั้นพรมรเจริะจะแปลว่าพระมจรจันหรือพรมรเจริยาก็ได้แต่ตามปกติแปลกันว่าพระมจรจันและใช้กันอย่างนี้ จนมักลืมไปว่าจันที่สะกดด้วยจอรอหันยอยกกรัในคํานี้คือศัพท์เดียวกับจริยาหรือจริยะที่ใช้ในคําว่าจาริยาศึกษาและจริยธรรมเป็นต้นรวมความว่าโรมาจันมาจากโรมจริยะเมื่อแยกศัพท์ออกไปแล้วก็แปลได้ว่าจาริยะอันประเสริฐ ความประพฤติอันประเสริฐหรือประพฤติบริสุทธิ์อย่างพรมการดำเนินชีวิตอันประเสริฐการครองชีวิตอย่างประเสริฐหรือความเป็นอยู่อย่างประเสริฐในภาษาไทยปัจจุบันมีคำบัญญัติขึ้นใช้ใหม่คำหนึ่งว่าจาริยธรรมซึ่งมาจากจาริยะบวกธรรมะนั่นเองในภาษาบาลีมีใช้แต่จริยะ ไม่มีจริยธรรมแต่ถึงจะเติมต่อคำว่าธรรมะเข้าไปก็ไม่มีข้อขัดข้องแต่อย่างใดจริยธรรมก็แปลว่าธรรมะคือจริยะหรือหลักแห่งจริยะนั่นเองคำว่าจริยธรรมตามบัญญัติของวิชาการสมัยใหม่มีความหมายอย่างไรในที่นี้จะไม่เกี่ยวข้องด้วยจะพิจารณาแต่ในแง่ความหมายของพระพุทธศาสนา เป็นอันว่าเมื่อแปลเรียนรูปสัพ์อย่างสมัยใหม่โรมเจริยะก็แปลได้ว่าเจริยธรรมอันประเสริฐคำว่าพรมหรือประเสริฐเป็นเพียงคำวิเศษเป็นอันที่รู้กันว่าเจริยธรรมประเสริฐหรือเจริยธรรมที่เป็นพรมนั้นหมายถึงเจริยธรรมที่เป็นระบบซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศขึ้นนี้ ตามพุทธพจน์ที่ยกมาอ้างข้างต้นแสดงว่าพระมรรจันหรือจริยธรรมอันประเสริฐหรือจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนานั้นก็คือมรรคหรือมัชชิมาปฏิปทานี้เองและพรมจารีหรือผู้ประพฤติพระมรรจันหรือผู้มีจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนานก็คือผู้ดำเนินชีวิตตามมรรคหรือปฏิบัติตามมัชิมาปฏิปทา ส่วนความหมายตามรูปศัพท์ดังที่ได้วิเคราะห์ไว้ข้างตน้นก็ทำให้แปลคำจริยธรรมได้ว่าหลักความประพฤติหลักการดำเนินชีวิตหรือหลักการครองชีวิตเป็นอันว่าเมื่อถือตามหลักพระพุทธศาสนามรรคหรือมัชฌิมาปฏิปทาคือระบบจริยธรรมระบบความประพฤติปฏิบัติหลักคำสอนเกี่ยวกับการดาเนินชีวิตที่ดีงาม หรือหลักการครองชีวิตที่ถูกต้องสมบูรณ์ของมนุษย์ที่จะนำไปสู่จุดหมายหรือความดับทุกข์หรือความสุดสิ้นปัญหาอยู่อย่างเป็นอิสระไร้ทุกข์จากความหมายทั้งตามรูปษ์และตามคำสอนเท่าที่กล่าวมานี้พอสรุปเป็นข้อควรทราบเกี่ยวกับพระมรรจันร์คือจริยธรรมอันประเสริฐหรือระบบจริยธรรมแห่งมัชฌิมาปฏิปทาได้ดังนี้ จริยธรรมสัมพันธ์กับความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดาของธรรมชาติหรือมีกฎธรรมชาตินั่นเองเป็นพื้นฐานกล่าวคือเป็นการนำเอาความรู้เกี่ยวกับกระบวนธรรมะที่เป็นไปอยู่เองตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่มนุษย์โดยจัดวางลงเป็นระบบวิธีประพฤติปฏิบัติหรือแบบแผนการดําเนินชีวิต ที่จะให้ได้ผลดีสอดคล้องกับความจริงที่เป็นไปตามธรรมชาตินั้นเนื้อความในข้อต้นนั้นมองได้สองด้านในข้อต้นนั้นเน้นการมองในแง่ที่มาคือจริยธรรมนี้ประยุกออกมาจากความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดาของธรรมชาติแต่เพื่อให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นกวนออกการมองในแง่ที่ไปมาเน้นไว้ต่างหากอีกด้วย การมองในแง่ที่ไปคือในแง่ของจุดหมายว่านำมาประยุกเพื่ออะไรซึ่งก็คงตอบได้ง่ายๆว่าประยุกเพื่อประโยชน์แก่ชีวิตและสังคมของมนุษย์เพื่อให้ชีวิตของมนุษย์เป็นชีวิตที่ดีเพื่อให้สังคมของมนุษย์เป็นสังคมที่ดีเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่มนุษย์นั่นเองดังเช่นในระดับสังคม เม่จะให้มนุษย์อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขก็สั่งสอนแนะนำวางเป็นหลักความประพฤติเช่นวิธีปฏิบัติต่อกันข้อควรแสดงออกและควรกระทําต่อสภาพแวดล้อมเป็นต้นกําหนดขึ้นมาโดยสอดคล้องกับความจรงิงเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ที่มีความต้องการอย่างนั้นอย่างนั้นมีปกติวิสัยอย่างนั้นอย่างนั้นมีภาวะที่ต้องอิงอาศัยซึ่งกันและกันและอิงอาศัยธรรมชาติแวดล้อมอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นต้น ถ้าเป็นระดับปัจเจกบุคคลเมื่อจะให้แต่ละคนมีจิตใจปลอดโปรง่งเบิกบานผ่องใสมีสุขภาพจิตดีก็สั่งสอนแนะนำแสดงวิธีควบคุมชักนำกระแสความคิดวิธีฝึกอบรมและชำระจิตเป็นต้นกำหนดขึ้นมาโดยสอดคล้องกับความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติแห่งจิตของมนุษย์ที่มีความเป็นไปาตามกระบวนธรรมะแห่งเหตุปัจจัยฝ่ายนามารรมอย่างนั้นอย่างนั้น หรือเมื่อจะให้บุคคลประสบความสุขอันปราณีตในฌานสมาบัติตลอดจนบรรลุปริชาญาณอันสูงสุดก็แนะนำสั่งสอนวิธีฝึกจิตวิธีคิดวิธีพิจารณาการวางท่าทีของจิตใจต่อสิ่งทั้งหลายและวิธีฝึกอบรมเจริญปัญญาตามลำดับแห่งขั้นตอนต่างๆกำหนดขึ้นมาโดยสอดคล้องกับความจรงิงเกี่ยวกับกฎแห่งการทางานของจิตและสภาวะของสังขารธรรมทั้งหลายเป็นต้น จริยธรรมครอบคลุ่มวิธีปฏิบัติที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดจึงอาจจัดแบง่งออกได้เป็นหลายระดับหลายขั้นตอนอาจสรุปด้วยคำพูดอย่างสมัยใหม่ว่าจริยธรรมคือการนำเอาความรู้ในสัจธรรมมาประยุกเป็นวิธีดำเนินชีวิตที่ดีเพื่อให้มนุษย์บรรลุ ป, ประโยชน์จนถึงขั้นสูงสุดรมจริยะหรือจริยธรรมประเสริฐนี้ ได้แก่มัรกหรือมัชชิมาปฏิปทาทั้งหมดคือเท่ากับเป็นหลักธรรมภาคปฏิบัติทั้งหมดของพระพุทธศาสนาจึงมีความหมายกว้างขวางกว่าคำว่าสิลธรรมอย่างที่เข้าใจกันโดยทั่วไปเป็นอันมากคำว่าสิลธรรมอย่างที่เข้าใจทั่วไปมีความหมายแคบทั้งโดยจุดหมายและขอบเขตเนื้อหาและลักษณะทั่วไป ว่าโดยลักษณะทั่วไปศิลธรรมอย่างที่เข้าใจกันมักเพ่งถึงความประพฤติที่แสดงออกภายนอกทางกายวาจาไม่เบียดเบียนการเว้นการกระทาที่ชั่วการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางสังคมว่าโดยเนื้อหามักมองจำกัดอยู่ในขั้นศีลคือการสำรวมระวังยับยั้งกายวาจาการแสดงออกด้วยพรหมวิหารธรรม มีเมตตากรุณาเป็นต้นแม้จะโยงเข้าไปถึงด้านจิตบ้างแต่ก็ไม่ก้าวเข้าไปถึงขั้นสมาธิภาวนาไม่เลยไปถึงการเจริญปัญญาเพื่อประจักษ์แจ้งสภาวะแห่งสังคารธรรมว่าโดยจุดหมายศิลธรรมอย่างที่เข้าใจกันนั้นมุ่งเน้นสันติสุขความร่มเย็นเป็นสุขของสังคมความอยู่เย็นเป็นสุขของบุคคล การประสบความเจริญก้าวหน้าของชีวิตในทางโลกเช่นลาบยศเกียริสันเสริญและการไปเกิดในพพที่มีความสุขเรียกง่ายๆว่าอยู่ในขั้นมนุษย์สมบัติและสวรรค์สมบัติหรือทิฏฐิธรรมิกัตถะและส่วนเบื้องต้นของสัมปรายิกัตถะศีลธรรมดังที่เล่ามานี้ถ้ายุติกันว่าหมายถึงศีลนั่นเอง ธรรมะเป็นเพียงส้อยคําต่อเข้ามาศิลธรรมก็คือศี์ยุติได้อย่างนี้ปัญหาก็คงหมดไปส่วนคําว่าจริยธรรมตามที่เข้าใจกันในภาษาไทยก็ยังพลาและสับสนไม่น้อยมีทั้งที่เข้าใจกันอย่างชาวบ้านรู้สึกเหมือนเหมือนกับศิลธรรมนั่นเองบ้างเข้าใจอย่างนักวิชาการในเชิงปรัชญาบ้าง แต่ในที่นี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับความหมายเหล่านั้นเลยขอยุติอย่างเดียวกับคำว่าศีลธรรมข้างต้นนั่นแหละ ว, ว่าศีลธรรมก็คือศีลธรรมะเป็นเพียงส้อยคาจริยธรรมก็คือจริยะธรรมะเป็นเพียงส้อยคาเมื่อยุติอย่างนี้แล้วจริยะก็เข้ามาในพรมจริยะมีความหมายชัดเจนแน่นอน เท่ากับมรรคหรือมัชชิมาปฏิปทาแต่มองในแง่ของความประพฤติหรือการดาเนินชีวิตว่าดูลักษณะทั่วไปจริยธรรมนี้มองไปได้กว้างขวางรอบคลุ่มวงการที่มีการใช้ธรรมะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความประพฤติศีลธรรมอย่างที่เข้าใจกันเบื้องต้นหรือการทำจิตใจให้มีความสุขวิธีสร้างสุขภาพจิต การฝึกจิตบำเพ็ญสมาธิภาวนาการเจริญวิปัสนาความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวการอยู่ร่วมกันด้วยดีในสังคมการไปเป็นอุบาสกจำศสียนที่วัดตลอดจนการที่พระภิกษุไปบำเพ็ญสมณธรรมในป่ารวมอยู่ในคำว่าจริยธรรมตามหลักนี้ว่าโดยเนื้อหา ได้กล่าวแล้วว่าโรมจริยานี้เป็นระบบการดำเนินชีวิตที่ดีงามหรือระบบการปฏิบัติธรรมทั้งหมดในพุทธศาสนาถึงรอบกลุ่มศิลธรรมอย่างที่เข้าใจกันในภาษาไทยแล้วเลยไปถึงการฝึกอบรมจิตการปลูกฝังวางรากฐานคุณธรรมในจิตใจและการสร้างยานทัศนะต่างๆที่เป็นเรื่องของปัญญาภาวนาในขั้นสูงพูด ร, มรวมๆว่าโรมจริย์ เป็นเครื่องมือฝึกปรือคุณธรรมทั้งทางกายทางวาจาและทางจิตใจหรือมองในแง่ไตรสิกาว่ามีทั้งศีลสมาธิและปัญญาครบตลอดว่าโดยจุดหมายจริยธรรมนี้ประพฤติปฏิบัติเพื่อบรรลุจุดหมายทุกขั้นทุกระดับเท่าที่พุทธศาสนาแสดงไว้ จนถึงจุดหมายสูงสุดที่เรียกว่าปรมมจริยะปริโยสารหรือความสิ้นโลภะโทสะโมหะบรรลุวิชาวิมุตติวิสุทธิสันตินิพพานในเรื่องนี้แปยคำว่าปรมมจริยะหรือปรมจันทร์เท่าที่นึกได้คิดได้ให้กระทัดรัฐว่าชีวิตประเสริฐหรือการครองชีวิตประเสริฐ และสรุปลักษณะของจริยธรรมตามหลักนี้ว่าจริยธรรมมีใชจข้อปฏิบัติที่จะกำหนดวางกันขึ้นได้ตามความพอใจของผู้มีอำนาจใดๆหรือตามความตกลงของคณะหรือหมู่ชนใดๆและมีใชจหลักการที่สักว่าจะยึดถือปฏิบัติตามๆกันมาจริยธรรมที่แท้จะเกิดมีขึ้นไม่ได้ถ้าไม่อิงอาศัยความรู้แจ้งสัจธรรม และจริยธรรมที่แท้นั้นแม้จะเกิดขึ้นแล้วก็จะประพติให้สำเร็จผลไม่ได้ถ้าไม่สัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจในสัจธรรม